สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบา น, นะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดเพเยซูตอนที่498เรื่องพระเยซูในพระธรรมฮีบรูครั้งที่สามพี่น้องครับสองวันที่ผ่านมานะครับพระวจะนะของพระเจ้าพระธรรมฮีบรูบทที่หนึ่งข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สามเราได้เห็นความจริงมากมายในวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องของพระเยซูพระบุตรของพระเจ้า จะเริ่มในฮีบรูบทที่หนึ่งข้อที่สี่โปรดฟังพระเจนะของพระเจ้าพระองค์ทรงเป็นผู้เยี่ยมกว่าเหล่าทูตสวรรค์มากนักด้วยว่าพระองค์ทรงรับพระนามที่ประเสริฐกว่านามของทูตสวรรค์นั้นเป็นมรดกข้อห้าเพราะว่ามีผู้ใดบ้างในบรรดาทูตสวรรค์ที่พระองค์ได้ตรัสแก่เขาในเวลาใดว่าท่านเป็นบุตรของเรา วันนี้เราได้ให้กำเนิดแก่ท่านแล้วและยังตรัสอีกว่าเราเป็นบิดาของเขาและเขาจะเป็นบุตรของเราข้อที่หกและอีกครั้งหนึ่งเมื่อพระองค์ทรงนำพระบุตรหัวปีองค์ที่ได้บังเกิดนั้นให้เสด็จเข้ามาในโลกพระองค์ก็ตรัสว่าให้บรรดาพวกทูตสวรรค์ทั้งสิ้นของพระเจ้านมาส ก, การท่านข้อเจ็ดส่วนพวกทูตสวรรค์นั้น พระองค์ตรัสว่าพระองค์ทรงบรรดาลพวกทูตสวรรค์ของพระองค์ให้เป็นดุจวิญญาณและทรงบรรดาลผู้รับใช้ของพระองค์ให้เป็นดุจเปลวเพลิงข้อแปดและข้อที่เก้าแต่ชวนพระบุตรนั้นพระองค์ตรัสว่าโอพระเจ้าค่ะพระที่นั่งของพระองค์ดำรงเป็นนิจและเป็นนิตฐานะกรแห่งอาณาจักรของพระองค์ก็เป็นฐานพะกรรเที่ยงธรรม โปรง่งทรงรักความชอบธรรมทรงเกลียดความชั่วช้าฉะนั้นพระเจ้าคือพระเจ้าของพระองค์ได้ทรงเจิมพระองค์ไว้ด้วยน้ำมันแห่งความยินดีกว่าพระสหายทั้งปวงของพระองค์พี่น้องครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ว่าพระเยซูซึ่งเป็นพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้าเป็นผู้ที่เยี่ยมกว่าเหล่าทูตสวรรค์หมายถึงว่า เป็นผู้ที่อยู่สูงเหนือเหล่าทูตสวรรค์พระองค์ไม่ใช่ทูตสวรรค์ครับดัวพระนามของพระองค์ที่พระองค์ได้ทรงรับเป็นมรดกจากพระบิดาของพระองค์พระองค์ก็รับพระนามที่ประเสริฐกว่าเหล่าทูตสวรรค์เป็นมรดกคําว่าประเสริฐนั้นหมายถึงการที่อยู่ในชั้นที่สูงกว่าชั้นที่แตกต่างกว่าฉะนั้นพระเยซูจึงทรงเป็นเลิศสูงกว่า ชั้นที่สูงกว่าเพราะฉะนั้นนี่คือความเป็นพระเจ้าของพระเยซูนั่นเองในข้อที่ห้านะครับเราก็จะพบเกี่ยวกับการอ้างอิงสรุ ด, ดีบทที่สองข้อเจ็ดซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในหมู่อาจรารย์ของพวกยิวว่าเป็นคำพยากรณ์เป็นคำพยากรณ์ที่เกี่ยวข้องกับเมสผาเมสยาครับและเราอาจจะดูความเห็นของท่านอาคาัคระทูตเปาโล ในกิจการบทที่สิบสามก็สามสิบสามเช่นเดียวกันฉะนั้นเพิ่มพีตอนนี้นะครับก็เป็นพิ่มพีที่ทําให้เรารู้ว่าพระเยซูนั้นได้มาจากพระเจ้าท่านเป็นบุตรที่รักของเราท่านเป็นบุตรของเราวันนี้เราให้กําเนิดจากแก่เจ้าแก่ท่านแล้วเพิ่มพีตอนนี้หลายคนก็แปลความหมายว่าเห็นไหมพระเยซูมีจุดกําเนิดแต่พี่น้องครับคําว่ากําเนิดที่นี่ มีความหมายว่าพระเจ้าเป็นคนที่กําหนดกําหนดให้พระเยซูนะครับมาอยู่ในโลกนี้เพื่อที่จะสําเร็จตามน้ำพระทัยแผนการยิรัน์ของพระเจ้าคือการช่วยมนุษย์ให้รอดเพราะฉะนั้นพี่น้องครับพระเจ้าไม่ได้เป็นคุณพ่อซึ่งต้องมีคุณแม่นะครับพระเยซูเป็นบุตรไม่ได้หมายความว่าพระเยซูจะต้องเกิดจาก สามีและภรรยาลรืที่เรียกว่าุณคุณพ่อคุณแม่เป็นคกับจากตรงนี้เองทําให้เราต้องเข้าใจให้ถูกครับว่าคําว่ากําเนิดนะครับกับคําว่าบิดากับคําว่าบุตรถ้าเราเข้าใจอย่างถูกต้องเราก็จะไม่สับสนครับคําว่าบิดานะครับคําว่าบุตรก็คือเป็นความสัมพันธ์ของการตั้งต้นนะครับของการยอมรับพี่น้องครับในข้อที่หก เช่นเดียวกันพ่อมีเฉลีย่ยบทที่97ข้อ7ถูกอ้างอีกครั้งหนึ่งส่วนในข้อที่7ก็จะเป็นเฉลีย่ยบทที่104ข้อที่4ได้ชัดเจนครับว่าพวกทุสวรร้นเป็นผู้รับใช้เป็น messenger ครับเป็น angelos นะครับเป็นภาษากรีกส่วนในข้อที่8ถึง9ทำให้เรารู้ว่ายกมาจากเฉลี่ีบทที่45ข้อที่6ข้อที่7 พี่น้องครับกล่าวโดวยสรุปก็คือเราสังเกตได้เป็นประเด็นทั้งหมดอยู่หกประเด็นด้วยกันครับประเด็นแรกพระบุตรพระเยซูนั้นทรงถูกเรียกว่าพระเจ้าโดยตรงครับตรงนี้นะครับในข้อที่แปดและข้อที่เก้าพระภีเขียนครับว่าแต่ส่วนพระบุตรนั้นพระองค์ตรัสว่าโอพระเจ้าค่ะพระที่นั่งของพระองค์ ดำรงเป็นนิตและเป็นนิตฐานพะกรแห่งพระนาจักรของพระองค์ก็เป็นฐานพะกรที่เที่ยงกรรมแคนั้นพระเจ้าคือพระเจ้าของพระองค์ตรงนี้ชัดเจนครับพระเจ้าของพระองค์หมายความว่าองครับหมายความว่าพระเยซูนั้นซึ่งเป็นพระบุตรถูกเรียกว่าพระเจ้าประเด็นที่สองครับพระบุตรก็คือพระเยซูได้รับพระที่นั่งของกษัตริย์นั่นหมายความว่าการครอบครองครับ อยู่เหนือทุกสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างประการที่สามครับพระองค์จะดํารงอยู่เป็นนิตไม่มีใครดํารงเป็นนิตได้ครับยกเว้นพระเจ้าประการที่สี่ครับลักษณะเฉพาะของราชันจักรของพระองค์คือความชอบธรรมประการที่ห้าพระองค์ทรงรักความชอบธรรมและเกลยดชังความชั่วช้าจริงๆประการที่หกพระเจ้าได้เจิมพระองค์ไว้ด้วยน้ามันแห่งความเปรมปรี น้ำมันแห่งความยินดีคำว่าเจิมก็คือการแต่งตั้งนะครับน้ำมันแห่งความยินดีก็คือน้ำมันบริสุทธิ์ที่ใช้ในการเจิมตรงนี้พูดครับว่าพระเจ้าพระบิดาได้เจิมตั้งพระเยซูเป็นกษัตริย์ซึ่งแสดงให้เห็นว่าพระเยซูทรงอยู่เหนือกว่าทุกทุ ก, ท ก, ทกสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างเพราะฉะนั้นพเพิ่มพีตอนนี้นะครับตั้งแต่ข้อที่สี่จนถึงข้อที่เก้า สรุปประเด็นได้สำคัญที่สุดก็คือว่าพระเยซูทรงเป็นพระเจ้าพระเยซูไม่ใช่ทูตสวรรค์และพระเยซูนั้นอยู่เหนือกว่าสรรพสิ่งที่พระเจ้าทรงสร้างทุกอย่างอาเมน